สังโคสังโคสังโคนี้หมายถึงหมู่จำพวกมูแห่งผู้ฟังคําสอนก็เรียกว่าสาวกสังโคคือมูแห่งผู้ฟังคําสอนหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของใครถ้าเป็นมูแห่งผู้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคก็เรียกว่าพระวโตสาวกสังโคแล้วก็ไม่ใช่ หมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคธรรมดาธรรมดาแต่เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีด้วยเขาจึงเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆฟังแล้วมันซึ้งโดงฟังฟังแล้วมันซึ้งเพราะว่าในโลกใบนี้ที่มีกระแสแห่งตันหาท่วมทับถาถมไหลวืดวือยู่นี่ บางทีก็ามายั่วยวนควรใจให้เราโกรธขัดเคืองบ้างบางทีก็ามาล่อลวงหลอกลวงให้เราทำไม่ดีโกงบ้างเขากงกันเราก็โกงกันบ้างบางทีมายั่วยวนล่อลวงใหเราประพฤติผิดในกามบ้างแต่บุคคลที่เมื่อปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแล้วจะสามารถทวนกระแสนี้ได้ใการทวนกระแสนี้ได้เนี่ยเป็นความดีความงามเป็นสิ่งที่ควรจะ ฟังดูรู้ให้เห็นแล้วว่ามันดีมันดีตรงที่ว่าถ้ามีโอกาสในการที่จะขโมยก็ไม่ขโมยอันนี้คือเป็นสงเป็นหมู่ที่ปฏิบัติดีถ้ามีโอกาสในการที่จะประพฤติผิดก็ไม่ทำผิดละ่ะเพราะว่าคิดว่าการทาผิดนั้นมันไม่ดีคิดว่าการทำถูกนั้นเป็นสิ่งดีก็ทำสิ่งที่ถูกมีฮิริมีโอตับปะความกลัวความละอายต่อบาปไม่ทาสิ่งที่ไม่ดีทาสิ่งที่ดีนี้แหละ คือพู้ที่ปฏิบัติดีในสถานการณ์ที่มีคนเขากินดื่มเที่ยวเล่นเผลอเพลินเพลิดเพลินไปตามตาตามหูเขาเป็นผู้ตื่นมีสติมีความไม่ประมาทรับรู้รับทราบสิ่งใดแล้วมีสติจ่อไว้ไม่สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเข้ามาได้ให้สิ่งที่เป็นกุศลธรรมพิจารณาให้เห็นสิ่งที่เป็นกุศลธรรมได้จิตใจที่ จ่อตั้งมั่นในการที่จะทําจริงแน่แน่จริงตรงนี้ธรามฟังเขาเรียกว่าสังโคสังโคนี้บุคคลที่ทําเป็นตัวอย่างทําให้เห็นแล้วนั่นคือพุโทโธพุธโทโธเป็นผู้ที่ทําตัวอย่างของสังโคนะจริงๆแล้วพุโทโธเนี่ยไม่ใช่เป็นสังโคนะคือพุโทโธเนี่ยมีคนเดียวมีรูปเดียวแต่ทรงนี้เป็นหมู่ทรงแปลว่าหมู่แต่พุโทโธเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติ ในการปฏิบัติให้ใครให้คนหลายๆคนคนหลายๆคนที่เขาเห็นตัวอย่างการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติควรเพื่อที่จะรู้ทําเป็นเรื่องออกจากทุกเขาเห็นตัวอย่างแล้วเขาทําตามบุคคลเหล่านั้นเหล่านั้นที่เขาทําตามตัวอย่างที่พุทโธได้ทําเอาไว้นั่นแหละเขาจึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีตามที่พระผู้มีพระภาคได้บอกสอนเอาไว้ การปฏิบัติดีที่เป็นตัวอย่างที่ทำมาทำมาให้เห็นสืบต่อกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นจากรุ่นพ่อคือพระพุทธเจ้าทรงมอบเป็นมรดกมาให้รุ่นลูกรุ่นหลานสืบท อ, อดกันมากันมาจากครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อส่งกันมาถึงคนในยุคเราเป็นตัวอย่างในการทาในการปฏิบัติที่ดีเพราะว่าในกระแสทาังองิงประวัติศาสตร์ของโลก ตั้งแต่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็มีสงครามในสมัยนั้นห ล, ลังจากพระพุทธเจ้าบริลุนิพพานก็มีสงครามตรงนั้นมีสงครามตรงนี้แพอมีสงครามเกิดขึ้นสักครั้งใดครั้งหนึ่งไม่ว่าที่ไหนทั้งฝั่งเลยมันจะมีการเบียดเบียนมีการแข่งแย่งมีการกระทํำที่ไม่ใช่ธรรมะเกิดขึ้นก็ต้องมีบุคคลที่คอยรักษาคําสอนนีเไว้บันทึกเก็บเป็นตัว อ, อ, กอักษรตัวหนังสือเก็บไว้ หรือว่าจําให้ดีบางทีต้องมีการพลางตัวเพื่อไม่ให้เขามาเบียดเบียนในการกระทำตรงนี้เพื่อที่จะรักษาคําสอนรักษาการปฏิบัตินี้เอาไว้เพราะว่าคําสอนทั้งหมดเนี่ยตมวังอยู่ในการปฏิบัตินั่นเองบุคคลที่ปฏิบัติดีนี่จึงเป็นผู้ที่จะรักษาคําสอนของพุท ธ, ธาได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนออกบอกออกก็เพราะเกิดจากการกระทา สอนออกบอกออกเจอจากการกระทําของพระองค์กําหนดเป็นบทเพียนชนะออกมาเรียกว่าธรรมโมมีการธรรมโมทำจริงแน่ๆจริงแล้วหลายๆคนทําเข้าทําเข้าเป็นหมู่เป็นสังโคเป็นกลุ่มของบุคคลที่ปฏิบัติดีแล้วการปฏิบัตินี่แหละที่เราวังจึงเป็นการรักษาคําสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลที่หวังคุณันใหญ่เคารพในคําสอนของพุท ธ, ธก็ประพฤติตามธรรมนี่แหละประพฤติตามธรรม ธรรมะอยู่ในตู้อยู่ในหนังสือแต่จะไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นธรรมโมอย่างแท้จริงเลยถ้าไม่มีสุปฏิปันโนถ้าไม่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยใครก็คนที่ฟังอยู่นี่แหละมีหูไหมถ้ามีหูก็ฟังได้บุคคลที่มีโสนประสาทคือมีหูมีหูมีโสนประสาทแล้วประตูนิพพานเปิดไว้ให้สำหรับบุคคลเหล่านี้ประตูแห่งนิพพานอันเป็นนมตะ เปิดไว้แล้วแก่บุคคลเหล่านั้นสัตว์เหล่าใดมีโสดประสัสสัตว์เหล่านั้นจงปรงศรัทธาลงไปเถิดที่ประตูสูนิพานอันเป็นธรมตะคำว่าปรงศรัทธาลงไปนั้นก็คือการปฏิบัตินั่นเองจิตใจให้มีศรัทธาเอาศรัทธามาทรงไว้ในใจมีการปฏิบัติมันดีตรงนี้นี่จะเป็นการที่จะสามารถรักษาคําสอนที่ดีที่เป็นสวากขาโตภค ว, วตาธโมนี้ได้ และนั่นก็จะเป็นการปฏิบัติตามอารหังสัมมาสัมพุท โ, โธคือพุทโธคือพระพุทธเจ้านี่แหละที่เป็นผู้ไก่จากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่ปฏิบัติดีแล้วนั่นแหละเอาตัวอย่างการทําการปฏิบัติของสัมมาสัมพุทโธซึ่งเป็นธรรมโมเนี่ยมาส่งไว้ในใจของเราเราก็จะเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีแน่นอนบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้แหละตั้งัง เป็นคนที่จะจันหลงโลกช่วยสังคมแลนะให้มีความสว่างความดีความงามขึ้นมาแต่เราได้ยินเรื่องราวที่ตรงนั้นมีการทําความดีอ่านั่นเป็นสุปฏิปันโนนั่นเป็นการปฏิบัติดีตรงนน้นมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้มีการคืนของให้เจ้าของตรงนี้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตรงโน้นมีการที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมตรงนี้มีการช่วยการทําจิตอาสาตรงนี้มีการพัฒนาปรับปรุงตรงนั้นตรงนี้ คนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำเป็นหมูขึ้นมาหมูขึ้นตรงนี้แหละตัวนั้นก็สว่างขึ้นวาบหนึ่งตัวนี้ก็สว่างขึ้นวาบหนึ่งสว่างตรงนั้นสว่างตรงนี้นั่นคือร่องรอยของธรรมะที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่พุทธะเป็นตัวอย่างได้ทำเอาไว้คนละเล็กละน้อยทำตรงนั้นได้ทำตรงนี้ได้แน่นอนละตฟังบางทีมันก็มีผิดพลาดบ้างผิดพลาดเผลอเลอไปก็แก้ไขทาให้ถูก การแก้ไขทําให้ถูกเขาเรียกว่าเป็นสังโคคือหมายว่าคนที่ทําอะไรผิดพลาดอยู่เรื่อยๆแล้วก็คิดว่าตัวเองซวยแหมฉันมันซุ่มซ่ามซื่อบือ้ออันนั้นไม่ใช่สง น, นี่นคือซื่อบือ้อแต่คนที่เป็นสงถ้าตัวเองทําอะไรผิดพลาดอยู่เรื่อยๆแล้วก็เพ่งอยู่ในการที่จะแก้ไขเชื่อเรื่องของกรรมไม่ใช่เชื่อว่าฉันเป็นดวงซวยอะไรต่างๆแต่เพ่งอยู่ในการแก้ไขมีการที่มีจิตใจเหมือนกับกวางคือมรึก ในการที่จะระวังความผิดของตัวเองเป็นผู้ที่จะรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นหรือว่าในสถานการณ์ที่กลุ่มคนอยู่กันมากๆเอาก็มีการสูงสิงการคุกคีกันเสียงดังเอตโลโบกเวกหรือว่าเลยถึงความมีการแข่งแย่งจริงดีกันหรือเลยเถิดไปถึงการทำสังฆเพศสังฆราชีคือทำหมู่ให้แต่กันทำหมู่ให้มีความร้าวรานกันอันนั้นไม่ใช่สงอันนั้นเรียกว่าสูงสิง แต่ถ้าแทนที่จะสูงสิงคุกรีก็มีการแยกไปหลีกเล่นตามเวลาตามโอกาสแทนที่จะเสียงดังโวกเวกเฮฮาก็มีความสงบเสงี่ยมมีโศรจ่ะแทนที่จะแก่งแย่งชิงดีกันก็มีการให้เกียรติทำตามหน้าที่กันเป็นผู้ที่พูดจาแล้วจะทำให้เกิดความพร้อมเปรียนกันคือแทนที่จะพูดยุยงให้แตกกันนะเป็นสังฆราชีนะคือการทำหมู่ให้ร้าวเป็นสังฆเภทคือการทำหมู่ให้แตก แต่ให้มีวาจาที่ไม่ส่อเสียดคือไม่สับสอคือไม่พูดยุยงให้แตกกันเป็นผู้ที่มีวาจากล่าวแล้วจะเป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคีเป็นหมู่แห่งความสามัคคีคือสังฆสามัคคีได้อย่างนี้คือเป็นสง์เป็นหมู่แห่งผู้ทําตามคําสอนหรือในสถานการณ์ที่มีการงานเกิดขึ้นแต่จะต้องทํางานคนที่ไม่ใช่หมู่ที่ทําตามคําสอนอย่างดี ก็จะขี้เกียจไม่สนใจเกี่ยงการงานนะชิ่งให้คุณหนึ่เาทหรือว่าหนีไปนอนเสียแต่คนที่เป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีแล้วเขาจะพอใจในการทำมีความขยันขันแข็งมีก้นเบานะจะลุกจะนั่งอะไรต่างๆคล่องแคล่วว่องไวไม่อืดอาดเฉยแช่ฉมเบ้แต่เป็นคนที่ว่องไวขยันขันแข็งในการทำงานนี่ก็เรียกว่าเป็นหมูแห่งผู้ฟังคาสอนที่ดี ในสถานการณ์ที่มีความเจ็บป่วยป่วยไข้คนที่ไม่สามารถที่จะทำดีได้เขาก็จะมีข้ออ้างละปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้กลัวมันจะลุกลามไปอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็ไปนอนเสียแต่ผู้ฟังคําสอนของพุทธซึ่งเป็นธํรโมแล้วปฏิบัติดีเนี่ยเขาจะมีความเพ่งคิดถึงอยู่ในผลอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นว่าถ้าป่วยเจ็บหนักมากขึ้นไปก็จะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติได้อย่างเต็มที่งั้นตอนนี้ประพฤติปฏิบัติก่อน เป็นผู้ที่เพ่งอยู่ในสามัญผลเลลงเห็นถึงผลคุณงามความดีที่จะเกิดขึ้นในใจอย่างนี้มันดีหรือในกรณีที่ถ้ามีใครพูดคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งของพุทธโอขึ้นมาเนี่คือคนที่ถ้าไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้สอบทานไม่ได้เช็คให้แน่ใจก็จะพูดมั่วๆไปเป็นการกล่าวตู่อันนี้ไม่ใช่หมู่แห่งผู้ฟังคาสอนที่ปฏิบัติ ด, ดีแต่หมู่แห่งผู้ฟังคาสอนที่ปฏิบัติ ด, ดตีจะไม่กล่าวตู่ จะมีการตรวจสอบมีการสอบคานสอบ ท, ทวนกันก่อนเพื่อดูว่าคําสอนเหล่านั้นลงกันได้เข้ากันได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นสังโคคือมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติไม่กล่าวตู่คําสอนของพุทธแต่เป็นผู้ฟังคําสอนคือสาวกสาวกคือผู้ฟังคําสอนหรือว่าเวลาที่จะรับประทานอาหารอย่างเงี้ยถ้าคนที่ไม่รู้ละอาจจะปฏิบัติได้ดีบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยวก็ถ่ายรูปลงโซเชียล สังคมเครือข่ายซะก่อนอันนี้ก็ไม่เรียกว่าสังกโคนะอันนี้ก็เรียกสังคมแต่ว่าถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีบเราก็จะพิจารณาแล้วฉิงฉันและไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมวัวเมาแต่เป็นผู้ที่ฉันแล้วก่อนการฉันระหว่างฉันก็พิจารณาว่าจะให้เวทนาเก่าดับไปไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเป็นผู้ที่เอาคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยมาส่งไว้มาทําไว้มาปฏิบัติให้เกิดขึ้นในใจ คือถ้า เ, าเอาคําสอนมาทรงไว้ในสมองเฉยๆแม่มันเสียได้แต่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบประวัยธรรมฝังเหมือนกับหนู4ประเภทที่ทําหน้าที่ขุดรูก็ทำหน้าที่ในการอยู่บางตัวก็ขุดรูบางตัวก็ไม่ขุดรูบางตัวก็อยู่บางตัวก็ไม่อยู่มันก็จะรวมออกมาได้4ประเภทนั่นคือไม่ขุดด้วยแล้วก็ไม่อยู่ด้วยตัวที่ขุดแต่มันไม่อยู่ขุดแล้วมันก็ห น, นีไปก็มีตัวที่ไม่ได้ขุด แต่อยู่ๆมันก็มาอยู่ก็มีและตัวที่ทั้งขุดและทั้งอยู่ก็มีคือบุคคลที่เอาคําสอนของสมมาสัมพุทธะที่เป็นธรรมะเนี่ยมาทรงไว้ในสมองอันนี้ก็เปรเียบสมัยกับคนที่ขุดแล้วถ้าเปรบ เ, เป็นคนก็คือเป็นคนที่มีการสร้างบ้านขึ้นมามีการสร้างบ้านไว้ก็คือเล่าเรียนคําสอนต่างๆเหล่านั้นโดยสมองแต่ทรงจำเอาไว้ได้แต่สามารถที่จะวิเคราะห์วิชารอะไรต่างๆได้อันนี้ดีอันนี้ดีคือเหมือนกับ คนที่สร้างบ้านเหมือนกับหนูที่กุดรูส่วนหนูที่มาอยู่นั่นก็คือผู้ที่เห็นตามมริยศษสีสามารถทำความเข้าใจในเรื่องทุกสมุทัยนิโรธมรรคให้เกิดขึ้นในใจได้มีสามราทิทีิชนิดที่แท้จริงเนี่นนี่คือเปรียบเหมือนกับหนูที่อยู่ที่ไม่อยู่ก็คือไม่เข้าใจเรื่องมริยาศษสีขุดไว้ทาสร้างบ้านเอาไว้แต่ถึงเวลาอยู่ไปไหนก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่ก็เหมือนกับคนที่ เล่าเรียนธรรมะต่างๆในผ่านทางสมองแต่จิตใจยังไม่เห็นตามซึ่งธรรมะคืออริย ส, สัจสีะแต่บางคนเราตัวยังไม่ได้ขุดรูตัวยังไม่ได้สร้างบานแต่ถึงเวลาอยู่มาอยู่เอออันนี้ก็ดีเหมือนกันคือคนที่ไม่ได้เล่าเรียนปริยัติธรรมสมองอาจจะจําไม่ได้หมดครบทุกประทัยบิดกเรียนอาจจะนิดๆหน่อยๆตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจสีได้เปรียบเสมือนคนหรือหนู หนที่มันอยู่ในเรือนหรือในรูของมันเลขอประเภทหนึ่งก็คือทั้งขุดด้วยตัวเองขุดด้วยตัวเองก็อยู่ด้วยอันนี้ก็คือมีการเล่าเรียนด้วยมีการเล่าเรียนทําต่างๆไคว้ครควนด้วยความคิดโดยสมองแล้วก็ทําความรู้ความเรียนนั้นให้เกิดขึ้นเข้าใจในแง่มุมของอริยรรสัจสิเกิดขึ้นในใจได้อันนี้คือทั้งขุดและทั้งอยู่ทั้งสร้างและทั้งอยู่อย่าเลยทคหว่าอย่าให้เป็นแบบที่ไม่ขุดด้วยแล้วก็ไม่อยู่ด้วย อย่างน้อยเมื่อที่เราฟังธรรมะเรื่องราวใดๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ขอให้ฟังเถอะสิ่งที่เป็นพุทธพจน์บางทีรูปแบบภาษาะอะไรต่างๆมันแตกต่างกันไปทาให้เราจะต้องคิดวิเคราะห์ให้ดีก่อนที่จะทําความเข้าใจเนี่ยเอาก็ขอให้ฟังไปเถอะอย่างน้อยเป็นการฟังเป็นการทําเที่ยวที่จะกุดรูเป็นการทําการฟังที่จะไม่เกิดการสร้างบ้านแล้วก็อยู่ด้วยนําสิ่งนั้นมาเข้าสู่ในใจทําการปฏิบัติให้เกิดขึ้น แต่บุคคลที่เป็นแบบนี้เรียกว่าเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเพื่อที่จะรู้ทําเป็นเรื่องออกจากทุกข์แต่เรื่องนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันทุกฟังแต่เพราะว่าไอ้ที่เราทําเราปฏิบัติไปเนี่ยดูดก็เหมือนกันดูดูเหมือนกันทําไปปฏิบัติไปแต่แต่คนที่ไม่ใช่สองไม่ใช่หมู่ที่ดีเนี่ยก็จะทําแบบรูบๆคลำๆทําแบบที่ว่าฉันดีคนอื่นแย่ ทำแบบชนิดที่ว่ายกตนข่มทันทำแบบชนิดที่เรียกว่าไม่จริงไม่จังทำแบบที่เข้าใจผิดอันนั้นยังไม่ใช่สงแต่บุคคลที่เป็นสง์เป็นหมู่ที่ดีแล้วก็จะมีการทําจริงมั่นใจมีความมั่นใจคือศรัทธาในการทําการปฏิบัติทําจริงแน่วแนจริงไม่ทํารูปรูปคำคำไม่ทำหยอกยอกแ ย, ะ ย, ะยะ่ๆแต่เป็นผู้ที่มีความมั่นใจในการกระทําตรงนั้นหรือว่าในกรณีที่ว่าจะมีการพยายามทําสมาธิเหมือนกันแต่นั่งสมาธิอย่างเป็นรูปแบบ อะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ดีแต่ยังไม่ใช่สังโคหรือหมูที่ปฏิบัติดีหรอกถ้าบอกว่ายังหวังเรื่องอะไรที่มันจะไม่ใช่เป็นไปเพื่อการกําจัดกิเลสไม่ใช่เป็นไปเพื่ออัสวะอะรนั้นก็ไมเรียกสังโคอะไนั้นเรียกสังโยชน์ยังมีเครื่องร้อยรัดยังมีเรื่องเรองรัดในการที่จะยังไม่ละกิเลสอ่ะอย่างเช่นว่าต้องการได้ฤทธิ์ต้องการเห็นมีหูทิพตาทิพอะไรนั้นก็ยังไม่เรียกสังโคอะไนั้นเรียกสังโยชน์มีเครื่องร้อยรัดอยู่ มีความกังวลใจอยู่มีความที่อยากตรงนั้นอยู่ยังมีเครื่องราดๆอยู่แต่คนที่ถ้าเป็นสังโครจริงแต่เขาชอบหวังถึงเรื่องของการหลุดพ้นหวังถึงเพ่งอยู่ในเรื่องของการที่จะกําจัดอสวกให้สิน้นหรือว่าคนที่เห็นว่านิ่งๆเหมือนกันพนี่ก็นั่งนิ่งๆนะเออมีอะไรมากระทบแล้วก็นิ่งดีไม่โต้ตอบนะ น, นั้นจะยังไม่ใช่สังโคก็ได้เพราะการไม่โต้ตอบนั้นอาจจะเป็นผลของความที่กลัว หรือว่าไม่มีปัญญาจะโต้อตอบหรือว่างงงมึนมึนไม่รู้จะโต้อตอบอะไรก็นิ่งไปอันนี้ยังไม่เรียกสังโคแต่คนที่เป็นสงเป็นสังโครจริงแล้วก็จะมีการโยนิโศมนสิการอยู่ในใจจะมีความอดทนที่เกิดจากปัญญาที่เกิดขึ้นอยู่ในใจไม่โต้อตอบได้นิ่งอยู่อย่างพระอริยเจ้าคือดูดูเหมือนเหมือนกันเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าคนที่ถ้าไม่มีสังโคอยู่ในใจไม่มีการปฏิบัติ ด, ดีอยู่ในใจแล้ว ในในใจนั้นไม่มีธรรมะและเป็นอาธรรมนะมีความปฏิบัติแบบรูบๆคําๆสังโยชน์เครื่องร้อยรัดงงๆมึนๆกลัวไม่มีปัญญาไปเป็นลักษณะนั้นอยู่ในใจแต่ถ้าเป็นบุคคลที่เป็นหมู่ผู้ฟังคําสอนของพุทธะที่ปฏิบัติดีแล้วจะมีธรรมเป็นยอดถงมีธรรมเป็นอธิ ป, ปไตยคือมีธรรมะเป็นใหญ่เอาธรรมะเป็นใหญ่ในการที่จะให้มีการทําจริงแน่วแน่จริงมีความมั่นใจในการปฏิบัติ มีความมั่นใจในข้อมูลที่รับมาคือธรรมะมีความมั่นใจในผู้ที่ทำเป็นตัวอย่างแล้วคือพุทธะมีการโยนิโสมนสิการมีความอดทนมีความไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากเป็นผู้ที่ทำแล้วก็พื่อทีจะรู้ทำเป็นเรื่องออกจากทุกอันนี้ช่อว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีแล้วคือสุปฏิปันโนภะกวโตสาวกสังโขฟังแล้วมันซึง้งเตมวัง ว่าถ้ามีการทำความดีแม้นิดแม้หน่อยตรงนั้นตรงนี้มันก็เป็นแสงสว่างวาบขึ้นมาตรงนั้นวาบขึ้นมาตรงนี้และเป็นเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้าในคืนที่มืดสนิทมันก็ตกแต่งท้องฟ้าให้มันสวยงามได้แม้ในคืนเดือนมืดก็ตามในสมัยปัจจุบันทัมานังเราถูกห่อหุ้มรัดรึงด้วยกระแสแห่งความมืดคืออวิชชาอยู่มากมายแล้วกระแสแห่งตัณหาเนะี่ยมันเชี่ยวกราดเหลือเกินอาจจะทําให้ คนที่ดีๆ ด, ดูแลภายนอกเหมือนดีแต่ว่าข้างในกักกะข้างในเน่าเฟะก็มีเราจรึงจะต้องทําแสงสว่างนี้ให้เกิดขึ้นเป็นผู้ทําดีปฏิบัติดีปฏิบัติตรงไม่ใช่คนเดียวทํากันเป็นหมู่หากแต่ฉันทําในครอบครัวนี้ฉันทำํำคนอื่นไม่ทําไม่เป็นไรแต่ฉันก็ทําตามคนอื่นๆที่เขามีเขาก็เคยทําความดีกันมาเราอ่านข่าวหนัสือพิมพ์ตรวนั้นตรงนี้ก็ยังมีข่าวเรื่องที่ดีๆอยู่ข่าวไม่ดี เป็นความมืดความชั่วความบาปก็มีมากแต่ข่าวดีเป็นความดีเป็นธรรมเป็นวินัยก็มีเหมือนกันเราเห็นตรงนั้นแล้วให้เป็นกําลังใจในการทําในการปฏิบัติเป็นหมู่ที่จะช่วยดึงกันขึ้นมาได้เสมอวังเพราะว่าเป็นหมู่ความที่เป็นหมู่เนี่ยแหละมันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยกันเป็นผู้ที่จะรักษามรดกคำสอนของพุทธะได้ไอ้ที่เราได้ฟังธรรมะอยู่วันนี้เนี่ยเรามีสังโคอยู่เมื่อวานนี้ ถ้าไม่มีสังโคไม่มีหมู่แห่งผู้ทําความดีมาแล้ววันนี้เราไม่ได้ฟังหรอกธรรมะ น, นะไอ้ที่เราได้ฟังเมื่อวานนี้ก็เพราะมีหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดียังสืบทอดกันมาเนี่ยจากมรืนนี้ถ้าไม่มีมรืนนี้ที่เขาทาความดีมาเนี่ยเมื่อวานนี้คุณไม่ได้ฟังหรอกหรือว่าเมื่อปีที่แล้วไอ้ที่คุณได้ฟังธรรมะได้ยินธรรมะมีเรื่องราวดีๆมีความร่าเริงบรนเทิงใจในธรรมะเกิดขึ้นในใจก็เพราะว่าเมื่อทศวรรษที่แล้ว เขายังมีการทำความดีมีการทำสังคายนาในสวนไล่เรียงเรื่องราวที่เป็นคำสอนให้มันอยู่อย่างถูกต้องหละที่ที่เขาทำเมื่อทศวรรษที่แล้วเนี่ยมันก็มาจากเมื่อศตวรรษที่แล้วนั่นแหละที่มีการทำความดีตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยทำเป็นหมู่ทำเป็นกลุ่มทำเป็นก้อนมากก็ตามน้อยก็ตามน้อยก็ทำมากก็ทำขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำทำแล้วมันดีความดีความงามที่สืบทอดกันมาเป็นทอดเป็นทอด จากสัมมาสัมพุทธะเมื่อหลายพันปีก่อนละ่ะก็ทรงมาทรงมาเป็นทอดมาเป็นทอดมาจนถึงเราในวันนี้เป็นร่องรอยแห่งการปฏิบัติการกระทำที่ดีเห็นร่องรอยตรงนี้ตะวันังมาเป็นพันปีเนี่ยโหมันไม่ซึ้งไหวเหรอมันซึ้งจนต้องพูดตั้งสามครั้งเนี่ยว่าสังโคสังโคสังโคคือหมายถึงหมู่แห่งผู้ฟังคํำสอนที่ปฏิบัติดีแล้ว ไม่ใช่มีแค่ร้อยเดียวไม่ใช่แค่สองร้อยไม่ใช่แค่สา0ร้อยไม่ใช่แค่ห้าร้อยแต่มีกว่านั้นมากหนะักที่ทำความดีตูฟังอย่าท้อแท้ท้อถอยอย่าหมดกาลังใจเพราะอะไรเพราะคนทำาดีเขามีร่องรอยอยู่ที่ไหนก็เนี่ยทุกวันนี้คุณได้ยินได้ฟังธรรมมาไหมละ่ะก็มันมาจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ยังมีคนทำความดีอยู่วันนี้ยังมีคนทำความดีอยู่พรุ่งนี้เราต้องได้ยินธรรมม พวกนี้เราต้องได้เห็นธรรมะพวกนี้เราต้องได้รับรู้รู้สึกถึงธรรมะเป็นกระแสที่เกิดขึ้นในใจของเราไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งไม่ทางตาก็ทางหูไม่ทางหูก็ทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือแม้แต่ทางใจถ้าเกิดเราหูหนวกเกิดเราตาบอดรับรู้ข่าวสารกันนอกไม่ได้แต่ถ้าใจของเราเป็นใจที่มีผลจากกายที่มีความสงบประงับมีจิตตั้งมั่นเป็นดวันเดียวมีสติไม่ลืมหลงใจนั้นนี่ยเป็นใจที่ดี ต่อให้เราไม่ได้ยินรับรู้สิ่งภายนอกใดๆก็ตามใจที่ดีมีความสว่างมีความงดงามอยู่อย่างนี้คนรอบข้างก็ได้ประโยชน์แน่นอนคนรอบข้างจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนในหมู่คณะก็จะได้ประโยชน์จากจิตใจที่มีความสว่างความดีความงามตรงนี้ให้มั่นใจแต่จำไ ว, ว้ว่าในโลกนี้ถ้าไม่มีใครทําความดีอยู่เลยเทวดาเขาก็ยังทํากันธรรมะคําสอนอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเนี่ย เป็นสิ่งที่สามารถประกาศต่อไปได้ด้วยดีทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาเทวดาก็ทำด้วยมนุษย์ก็ทำด้วยเทวดาเขาก็มีการปฏิบัติทรรกันมีการรักษาศีลกันมีการนั่งสมาธิกันมีการช่วยเหลือเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันจิตใจเราที่คิดระลึกถึงคุณงามความดีตรงนี้ที่เทวดาก็าทำกันเนี่ยก็เป็นเทวตานุสติแต่จิตใจเราบางทีเราคิดนึกถึงเรื่องราวดีๆที่เราเคยทำมาปฏิบัติมาอันนั้นก็เป็นสีหลานุสติสติที่ตั้งขึ้นไว้ มีสติไม่ลืมลง เ, เราก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นหนึ่งในสังโคเป็นหนึ่งในหมู่ของผู้ฟังคําสอนที่ปฏิบัติดีแล้วคุณจะปฏิบัติดีจากการฟังคําของใครเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกขอให้ทําขอให้ปฏิบัติเวลามีโอกาสที่จะลักมีโอกาสที่จะขมโมยก็ไม่ลักก็ไม่ขมโมยมีโอกาสที่จะพระพืติปิดในกามมีโอกาสที่จะพูดเท็จพูดยุยงพูดลับมันตลกโปกห้าไปเราก็ไม่ทําตั้งสติเอาไว้ฉันจะไม่ พูดเพียงเพื่อให้หัวเราะกันเล่นในที่พูดเปลยประโยชน์ทิ้งเสียจะไม่พูดคําโกหกเพื่อที่จะให้เกิดแค่ความสนุกสนานยิ้มเห็นฟันกันหรือจะไม่ประพฤติผิดในการเพียงเพื่อความสุขชั่วเล็กชั่วน้อยชั่วขณะแต่เป็นผู้ที่เพ่งเล็งเห็นอยู่ซึ่งความสุขที่เหนือกว่าประณีกว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในใจเป็นความสุขที่เกิดขึ้นตามธรรมเป็นปีติเป็นสุขที่ไม่อิงอามิตรเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากในภายในบุคคลที่รู้จักการพิจารณาระววัง รู้จักใคร่ควรวินิจฉัยว่าอะไรเป็นความสุขที่ควรเสพอะไรเป็นความสุขที่ไม่ควรเสพแล้วก็ไม่เสพความสุขที่ไม่ควรเสพหมาเสพความสุขที่ควรเสพควรทาอย่างศาลอย่างเงี้ยนะผู้พิพากษาเนี่ยเขาต้องวิน nice ิจฉ kind of ัยคดีอะไรผิดอะไรถูกผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกแต่คนที่เป็นอย่างนี้นี่คือเป็นคนตรงๆงเนี่ยเป็นผู้ที่วินิจฉัยได้อย่างดีเราก็เป็นคนตรงๆงเนี่แหละวินิจฉัยเห็นแล้วมันดี อย่าทำเบี้ยวเบียวอย่าทำบิดบิดอันนั้นมันทำแบบรูปรูปคลำคลำทำแบบงงงเหมือนเหมือนแต่ให้ทำจริงแน่แน่จริงโยงนิโสมนสิการใครครูนยังเป็นธรรมมีธรรมเป็นอธิปไตยมีธรรมเป็นยอดตรงปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ชอบปฏิบัติดีแล้วแน่นอนดับวังแเราจะเป็นผู้ที่ได้รับผลแห่งการปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าบุคคลที่ว่ามีจิตใจแบบนี้จะมีความที่เพ่งอยู่ใน เรื่องของผลที่จะเกิดขึ้นเป็นสามัญผลเป็นผลที่ดีเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียกว่าฝึกได้เมื่อมาทำการฝึกตามระบบที่สัมมาสัมพุทธะหลาคนพบขึ้นนี้จะเป็นผู้ที่มีผลออกมาชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าเราลองดูอย่างมหาโจรที่มีฝ่ามือเปื้อนเลือดปากใจมั่นในการฆ่าตีมีแต่ความคิดในการที่จะปราดปลานคนอื่นแตนะ่ทหมู่บ้านไม่ให้เป็นหมู่บ้าน ทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมเด็กร้องไห้ยอยู่ได้ยินชื่อ ย, อ ย, ยังต้องหยุดเงียบแตกในเนยืนใบนั่นคือองค์กุลิมานแม้แต่องค์กุลีมานที่ฆ่าคนแล้วตัดนิ้วมือมาล้อยเป็นพวงทรงเอาไว้เนี่ยใจชั่วใจบาปหยาบช้ายอย่างนี้ยังสามารถปฏิบัติได้ยังสามารถปฏิบัติได้ยังสามารถเป็นหนึ่งในหมู่ของผู้ที่เปลี่ยนแปลงจากไม่เคยได้ยินได้ฟังคําสอนเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังคําสอนแล้วปฏิบัติดีด้วยปฏิบัติตรงด้วย ปฏิบัตแล้วรู้ทําเป็นเรื่องออกจากทุกออกจากกลุ่มของความมืดคือกองอวิชชาที่มันครอบงำครอบกลุ่มอยู่ได้ทำจิต ใ, ให้มีความใสสว่างแจ่มใสขึ้นมาเนี่ยไอตัวเราไม่ได้ชั่วขนาดนั้นนะคิดว่างั้นนะท่บบานบวชต่อให้ชั่วเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นแหละอาจจะมีความประโยชน์มีความเสพผิดดิ้นรนอยู่ในจิตบ้างแต่ทําไมมันจะฝึกไม่ได้สิ่งของที่ไม่มีจิตไม่มีใจอย่างน้ําเขายังมาผ่านกังหันวิทยเข้าในนาได้สิ่งของที่ไม่มีจิตไม่มีใจและยังลูกศร เขายังเอามาลนไฟชุบน้ำข้าวดัดให้ตรงได้เขายังปรับมันได้ใช้งานมันได้ทําให้เกิดประโยชน์ได้หรือแม้แต่ดูเอายางช้างหรือม้าเป็นช้างพันธีม้าพันธีเป็นช้างอาชาในม้าอาชาในจับมาจากป่าแล้วเป็นพันธีเนี่ยเขาก็ยังเอามันมาฝึกได้บางทีให้มันกินบ้างบางทีให้มันอดบ้างบางทีพูดดีๆกับมันบ้างด่ามันบ้างแต่ใช้อัญยาใช้สตราพวกนี้เพื่อที่จะฝึกมันฝึกให้มันออกมาดีได้แล้วตัวเราเอง เป็นผู้ที่มีจิตเป็นผู้ที่มีใจอาจจะมีความพยศมีความเสพผิดดิ้นรนบ้างเหมือนอย่างช้างป่าหมาป่าที่ออกมาจากป่าใหม่ๆมันก็ยังไม่คุ้นเคยไม่คุน้นชินทําได้บ้างไม่ได้บ้างควานช้างควานมา้าบางทีเขาฝึกเขาใช้ลงอาวุธลงแส้ให้มันกินให้มันอดแต่การฝึกในธรรมะท่านผู้ฟังไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอาทยาด้วยซ้ําไม่ได้ต้องใช้ด้วยศาสตราด้วยซ้ําไม่ใช้ศาสตราไม่ใช้อาทยาอังคุลิมาน ผู้มีใจบาปหยาบชา้ามีฝา่ามือเปือนเลืยังฝึกได้แล้วทําไมเราจะฝึกไม่ได้ทําไมจะไม่ทํามันไม่มีเหตุผลเป็นคําถามที่ไม่ต้องการคําตอบ่าำฟังอย่าตอบแต่ให้ทําเลยให้ทําสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีให้ทําสิ่งที่ดีแล้วให้มันดียิ่งขึ้นโอกาสอยู่เฉพาะหน้าแล้วแล้วจำฟังมันไม่ใช่เป็นโอกาสง่ายๆนะที่เราจะมีสิ่งที่จะฝึกเราได้โดยที่ไม่ได้ใช้อา ญ, ญาไม่ใช่ศาสตรา ทหารเนี่ยเขาฝึกทหารคุณดูเขาทําไงโอยอย่าไปพูดเลยพลทหานี่ถูกฝึกหนักยิ่งกว่าอะไรหรือแม้แต่คนที่เรียนโรงเรียนนักเรียนในร้อยอย่างนี้ถูกฝึกหนักยิ่งกว่าอะไรถูกด่าเป็นหมูเป็นหมาแต่ในธรรมวินัยนี้ท่านโปรดฟังมันไม่ได้ต้องถูกด่าถูกว่าเละเละ เ, เ, เสียเสียหายหรือว่าทำให้จนเหงื่อแตกเหงื่อแตกขนาดนั้นมันเป็นการฝึกทางใจจิตใจที่ต้องมีการทําจริงแน่แ น, แน่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คนที่ท้อแท้ท้อตอยจะทําได้ แต่ถ้าคนที่มีกําลังใจมีการทําจริงแน่แน่จริงทําได้แน่นอนไม่ใช่เรื่องยากตัวอย่างมีมาแล้วร่องรอยที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติงามปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ทําเป็นเครื่องออกจากทุกมีมาแล้วเป็นหลายพันปีอาณาจักรคือทำแต่บังคือทำมาจักเนี่เป็นอนาณาจักรที่แผ่ไปทั่วโลกมันยากมากที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งท่านฟังลองคิดดูดูประวัติศาสตร์ก็ได้ในยุคเมโซโฟรเทเมียมันก็เสื่อมสิ้นไปแล้วในยุคนั้นยุคนี้ อาณาจักรเขาคิดว่าจะแผ่ไปกว้างทั่วโลกผ่านะนไปร้อยปี200รปีพันปีอาณาจักรนั้นก็แตกดับไปอ า, อาณาจักรอยุธยาดูอาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักรทวรารวดีเหล่านี้ก็แตกยับดับสิ้นสูญหายไปหมดแล้วแต่อาณาจักรคือธรรมเป็นธรรมจักรยังคงอยู่ทุกวันนี้แผ่ไปได้กว้างแผ่ไปได้ทั่วโดยมียอดธงที่นําไปคือเป็นธรรมะมีธรรมเป็นอธิ ป, ปไตยมีธรรมเป็นยอดธงจักรคือธรรมะคืออาณาจักรนี้ ยังคงอยู่นะช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นโปรโมชั่นมาสอง0ันกว่าปีแล้วไม่รู้จะหมดเมื่อไหร่อย่าให้เราเป็นบุรุษคนสุดท้ายในธรรมะวินัย น, นี้เลยเราทำได้เป็นสังโคสังโคสังโคได้จุรินทร์